13. ผู้เห็นอมตบทพ ร, ระพุทธภาษิตโยจาวัต ส, สตังชีเวอปสังอมตะตังปะทังเอกาหังซีวิตังไสยโยปัสโตอมตะังปะทังแปลว่าผู้ใดไม่เห็นอมตะบทแม้เป็นอยู่ถึงร้อยปีความเป็นอยู่ของเขานั้นไม่ประเสริฐส่วนผู้เห็นอมตะบทแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่า อมตบทในที่นี้ทรงหมายเอาพระนิพพานอันผู้บรรลุไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นการหยุดครั้งสุดท้ายแห่งการระหกระเหินในสังสารวัตไม่ต้องทนต่อกงล้ออันทารุณของสังสารจักรอีกต่อไปนิพพานตามตัวอักษรแปลว่าความดับหมายถึงดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกเพลิงกิเลสนั้นคือราคะโทสะโมหะ หรือโลคโกรธหลงเป็นต้นเพลิงทุกหมายถึงความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจเพราะเหตุต่างๆมีการพัดพรากจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักเป็นต้นนิพพานแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดเสียแทงหมายความว่าออกจากตันหาอันเป็นเสมือนหนามแทงใจการถอนตันหาเสียได้ท่านเรียกว่าพระนิพพานวงเล็บบาลีว่า ตันหายะวิปปหาเนนะนิพพานหนังอิติวุจติโดยปริยายหนึ่งท่านกล่าวพระนิพพานไว้สองคือ 1. สอุปาทิเสสนิพพาน 2. อ, อนุปาทิเสสนิพพานประการแรกหมายถึงท่านผู้ละกิเลสได้หมดแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ประการที่สองหมายถึงท่านผู้ละกิเลสได้หมดแล้วด้วยดับขันแล้วด้วยคําอธิบายนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในเมืองไทยเรา เพราะตำราเรียนได้อธิบายไว้อย่างนี้อีกในยน1หนึ่งท่านอธิบายแตกต่างออกไปคือสอุปาทิเสสนิพานท่านแปลว่าดับกิเลสยังมีกิเลสเหลือคือดับได้เป็นบางส่วนยังเหลือเป็นบางส่วนตัวอย่างการดับกิเลสของพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามี ส่วนอนุปาทิเสสนิพานนั้นท่านแปลว่าดับกิเลสไม่มีกิเลสเหลือคือดับหมดทุกส่วนตัวอย่างนิพพานของพระอระหันต์ท่านกล่าวคุณลักษณะของนิพพานไว้หลายประการเช่นนิพพานว่างอย่างยิ่งวงเล็บนิพพานังประมังสุนอย่างคือว่างจากโลภโกรธหลงพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งวงเล็บนิพพานังประมังสุ ข, ขัง ที่ว่าเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นหมายอานิพานของท่านที่ยังมีชีวิตยอยู่ส่วนท่านผู้ดับขันไปแล้วย่อมไม่สุขไม่ทุกข์หลักฐานจากพระบาลีที่ว่าอัฐารูปาอารูปาจะสุขทุก ข, ขาปรมุตจะติย่อมพ้นจากรูปอรูปสุขและทุกข์ทั้งมวลบทอันไม่ตายคือพระนิพานนี้เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด ข, ข, ของพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างว่า มหาสมุทรที่มีรถเดียวคือรถเข็มฉันใดธรรมวิในข้อสั่งสอนทั้งปวงของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นมีรถเดียวคือวิมุตติความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงบุคคลผู้บรรลุอมตบทแล้วแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าบุคคลผู้ไม่เห็นอมตตบทแม้มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปี พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภนางกีสาโคตมีวงเล็บโคตมีผู้ผอมมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางกีสาโคตมีมีเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในเมืองสาวัตถีคือทรัพย์วงเล็บเงินทองประมาณ80โกรดในเรือนของเศรษฐีคนหนึ่งได้กลายเป็นฐานไปหมด เศรษฐีเสียใจมากถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งมาเยี่ยมและขอบุบายให้ว่าให้เอาเสือลำแพนไปปูเข้าที่ตลาดเอาเงินทองที่กลายเป็นฐานนั้นไปกองไว้แล้วนั่งขายใครทักว่าคนอื่นเขาขายผ้าน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นส่วนท่านนั่งขายฐานดังนี้จงตอบคนทั้งหลายนั้นว่าเราไม่ขายของของตนแล้วจะทําอะไร หากว่าคนใดทักว่าท่านนั่งขายเงินและทองผิดกว่าคนทั้งหลายอื่นท่านจงถามว่าเงินทองที่ไหนกันฐานต่างหากถ้าเขายังยืนยันว่าเป็นเงินทองอยู่ก็จงบอกให้เขาหยิบให้ดูเมื่อเขาหยิบส่งให้ท่านฐานนั้นกลายเป็นเงินและทองไซผู้นั้นเป็นคนมีบุญสมควรมอบทรัพย์มรดกทั้งปวงให้ถ้าเป็นหญิงสาวพึงให้แต่งงานกับบุตรชายของท่านถ้าเป็นชายหนุ่มพึ่งให้แต่งงานกับบุตรตรีของท่าน ท่านดำรงชีวิตยอยู่ด้วยเงินทองที่เขาให้เลี้ยงชีพเศรษฐีได้ทำตามคำแนะนำของเพื่อนหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งชื่อโคตมีแต่เนื่องจากเป็นคนผอมคนทั้งหลายจึงเรียกเธอว่ากีสาโคตมีเป็นทิดาของผู้ดีเก่าแก่ในเมืองสาวบถีนางไปตลาดเห็นเศรษฐีนั่งขายของอยู่จึงทักว่าคนอื่นๆเข้าขายเสื้อผ้าน้ามันน้าพึง่งและน้าอ้อย เหตุไงท่านจึงขายเงินทองเงินทองที่ไหนกันแม่ผ่านทั้งนั้นเศรษฐีว่านี่แหละเงินทองทั้งนั้นนางยืนยันแม่ลองหยิบให้ดูสิแม่นางเศรษฐีพูดด้วยอาการลิงโลดกีสาโคตมีกอบเสื้อเต็มมือแล้วส่งให้เศรษฐีผ่านนั้นได้กลายเป็นเงินทองไปหมดเศรษฐีจึงสู่ขอนางมาเป็นสะายของตนมอบทรัพย์ทั้งหมดให้ เงินทองที่กลายเป็นถานนั้นได้กลายเป็นเงินและทองดังเดิมอีกนางมีบุตรคนหนึ่งแต่ตายเสียในขณะที่พอเดินได้นางเสียใจมากเพราะเป็นบุตรคนแรกคนทั้งหลายจะนำไปเผาแต่นางไม่ยอมอุ้มบุตรเที่ยวไปในที่ต่างๆเพื่อหาหมอหายามารักษาบุตรที่ตายแล้วคนทั้งหลายเห็นนางแล้วเข้าใจว่าเป็นบ้าเพราะไม่เคยมีใครทาอย่างนั้น ทีนั้นมีชายผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งแนะนำให้นางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าทรงรู้จักยาที่นางต้องการนางรีบไปเฝ้าพระราศาสดาทันทีทูล ถ, ถามว่าทรงรู้จักยาเพื่อรักษาคนที่ตายแล้วหรือเราพอรู้โคตมีพระราศาสดาตรัสจะให้ทำอย่างไรพระเจ้าข้านางทูลถามเธอจงไปลองเที่ยวถามหาเมรล็ดพันผักกาดสัตยิบมือหนึ่ง แต่ต้องได้จากหมู่บ้านที่คนไม่เคยตายนางอุ้มบุตรรีบเข้าไปสู่หมู่บ้านที่เอาถามหาเมล็ดพันุ์ผักกาดบ้านที่มีก็เต็มใจให้แต่พอนางถามว่าในหมู่บ้านนี้มีคนเคยตายหรือไม่ทุกหมู่บ้านบอกว่ามีคนเคยตายแล้วคนหนึ่งบ้างสองคนบ้างสามคนบ้างนางจึงคืนเมล็ดผักกาดให้ บอกว่าทายาไม่ได้นางที่เอาไปโดยทานองนี้ตลอดหัวบ้านท้ายบ้านหาเมล็ดผักกาดในหมู่บ้านที่ไม่มีใครเคยตายไม่ได้เลยถึงความสังเวชสลดใจว่าโอ๋หนอเป็นกำหนักเสียแล้วเราเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นตายแต่ความจริงแล้วคนตายกันมากบุตรของใครๆก็ตายทุกเรือนเคยมีคนตายแล้วทั้งนั้น นางได้ทิ้งบุตรไว้ในป่าแล้วรีบไปเฝ้าพระศ า, าสดาทูลความทั้งปวงให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนโคตมีความตายเป็นสิ่งยั่งยืนตั้งอยู่ชั่วการนานทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายและความตายนั้นย่อมค่าเอาบุคคลผู้มัวเมาอยู่ในบุตรและสัตว์เลี้ยงผู้มีใจฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆไปประดุดห่วงน้าใหญ่ไหลเชี่ยวพัดพาเอาชาวบ้านไปฉะนั้น พระศาสดาทรงสแสดงธรรมเป็นเนกปริยายให้นางกีสาโคตมีดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่คนเหล่าอื่นอีกเป็นอันมากกีสาโคตมีขอบวชในศาสนาวันหนึ่งเข้าเวรอยู่โรงุโบสดนางตามประทีบนั่งมองดวงประทีปอยู่เห็นเปลวประทีปลุกโพรงขึ้นแล้วหลี่ลงนางได้ถือเอาเปลวประทีปนั้นเป็นอารมณ์ แล้วคิดต่อไปว่าสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเกิดขึ้นและดับไปดังเปรียวประทีปพูดถึงพระนิพพานแล้วอาการอย่างนี้ย่อมไม่มีไม่ปรากฏพระศาสดาประทับนั่งที่พระคันทักุดีทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งประทับอยู่เบื้องหน้าของนางพรางตัดว่าถูกแล้วโคตมีสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดและดับเหมือนดวงประทีป พ, พูดถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่เป็นอย่างนั้น ความเป็นอยู่คณะเดียวของผู้เห็นพระนิพพานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของผู้ไม่เห็นพระนิพพานดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่าโยจัวัสสตังชีเวอปสังอมาตังปัทั ง, ปงเป็นอาทิมีเนยะดังพรนานามาแล้วนั่นแหละสิ 14. ผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมพระพุทธภาษิต โยจะวัสสตังสีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเอกาหังสีวิตังไสยโยปัสสโตธรรมมุตตมังแปลว่าผู้ใดไม่เห็นธรรมอันสูงสุดแม้มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีก็ไม่ประเสริฐชีวิตของผู้เห็นธรรมอันสูงสุดแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าธรรมอันสูงสุดในที่นี้พระสังฆาจารย์แก่ว่าได้แก่ โลกุตรธรรม9คือมัคสี่พ้นสี่นิพพานหนึ่งมัคสี่คือโสดาปติมัคสกทาคามีมัคอนาคามีมัครหัตตมัคพ้นสี่ก็เหมือนกันเปลี่ยนแต่มัคเป็นผลบุคคลผู้ไม่เห็นธรรมบันสูงสุดนี้ย่อมระหกระเหินไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้เห็นธรรมบันสูงสุดนี้แล้วการระหกระเหินย่อมสิ้นสุดลงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไป ได้เดินทางชีวิตสุดสายแล้วไม่ต้องเดินอีกต่อไปข้อความที่เหลือได้กล่าวแล้วในเรื่องก่อนๆเรื่องนี้พระศาสดาแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปราบรพระพระหุปุตติกาเทรีมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องพระหุปุตติกาเทรีที่ชื่อเช่นนี้เพราะมีบุตรมากคือมีบุตรถึงเจ็คนทิดาเจ็ดคน บุตรและธิดาเหล่านั้นเมื่อแต่งงานแล้วก็แยกครอบครัวไปอยู่เป็นสัดส่วนของตนของตนทุกครอบครัวอยู่ในฐานะที่พอมีอันจะกินต่อมาบิดาของคนพวกนั้นสิ้นชีวิตลงแต่มารดายังคงไม่แบ่งทรัพสมบัติให้ใครบุตรทั้งหลายจึงช่วยกันพูดว่าเมื่อบิดาล่วงลับแล้วประโยชน์อะไรของแม่ด้วยทรัพที่มีอยู่เป็นอันมากพวกลูกๆพอจะเลี้ยงแม่ได้ แม่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีทรัพสมบัติไว้ในครอบครองอันทำให้เป็นภาระกังวลมากอยู่นางฟังคำนั้นแล้วเฉยเสียเมื่อพวกบุตรทิดาพากันพูดและอ้อนวอนบ่อยๆจึงคิดว่าพวกลูกๆรับปากว่าจะบำรุงเราให้มีความสุขประโยชน์อะไรด้วยทรัพสมบัติที่เราจะต้องครอบครองอยู่ดังนี้แล้วได้แบ่งทรัพย์ทั้งหมดให้ลูกๆทุกคนนางได้ไปอาศัยลูกชายคนโตอยู่ก่อน ล่วงไปสองสามวันเท่านั้นลูกสะใภ้คนโตได้กล่าวกับสามีว่าโอคุณแม่ของพวกเรามาอยู่อาศัยแต่เรือนเราเท่านั้นทำเหมือนกับว่าได้ให้ทรัพย์เราสองส่วนเมื่อนางไปอาศัยเรือนของบุตรหรือทิดาคนอื่นๆเพียงสองสามวันก็ได้ยินคำพูดทำนองเดียวกันนางเกิดความเบื่อหน่ายจึงหลีกออกจากเรือนไปบวชในสานักภิกษุณีที่วัดเชตวัน บวชแล้วตั้งใจทำความเพียรตั้งใจปฏิบัติดีต่อภิกษุณีทั้งหลายสังเง่ยเจียมตนและถม่มตนบางคืนตั้งใจทำสมณธรรมทั้งคืนเอามือจับเสาใต้ปราศาสตรแล้วเดินเวียนเวลาเดินจงกรมก็เอามือจับต้นไม้เดินเวียนต้นไม้นางนึกอยู่เสมอว่าจักปฏิบัติตามทำที่พระศ า, าสดาทรงสแสดง พระศาสดาประทับนั่งในพระขันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไปเหมือนหนึ่งว่าประทับอยู่ข้างหน้านางแล้วตรัสว่าพระหุปุติกาความเป็นอยู่เพียงคู่เดียวของผู้เห็นธรรมที่เราแสดงแล้วประเสริฐกว่าความเป็นอยู่สิ้นร้อยปีของผู้ไม่นึกถึงธรรมไม่เห็นธรรมอันเราแสดงแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยจฉวสสะตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิ มีนัยะดังพรนนานามาแล้วแต่ต้นวรรคที่แปดชื่อสหัสสวัค ข, ขวันนานารวมสิบสี่เรื่องจบเพียงเท่านี้เก้าว่าด้วยบาปปาปวัควันณนาหนาึ่งใจที่น้อมไปในบาป พระพุทธภาสิตอภิทธะเรทะกัลยาเนป่าป่าจิตตังนิวารรเยทันทางหิกระโตปุญญังป่าปัสสมิง ร, รมติมโนแปลว่าควรรีบทำความดีรีบห้ามจิตจากบาปเมื่อทำความดีช้าใจย่อมน้อมไปในบาปอธิบายบาป ว่าโดยเหตุคือสภาพที่เศร้าหมองเป็นเครื่องเศร้าหมองของกายวาจาใจที่เรียกกันทั่วไปว่าความชั่วทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างมันไปแปดเปื้อนส่วนใดย่อมทาส่วนนั้นให้เศร้าหมองบาปจึงเป็นของโศโครกที่ไม่มีตัวตนแต่ก็รู้ได้เห็นได้ว่าโดยส่วนผลเป็นชื่อของความทุกข์กล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือมีผลเป็นทุกข์เป็นความร้อนใจ พระบรมศาสดาจึงตัดว่าสาเจพายถะทุกขักสเจโวทุกขมัพียังมากัตทะปาปกังกรมมังอาวิวายะิวาระโหถ้าเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายใซขอเธอทั้งหลายอย่าได้ทำบาปทั้งไหนที่แจ้งและในที่รับ ในที่บางแห่งกล่าวว่าที่รับสำหรับผู้ทำบาปนั้นไม่มีเพราะไม่มีที่ใดแม้ว่างจากผู้อื่นก็ไม่เคยว่างจากตนตนย่อมรู้เห็นเป็นพยานอยู่เสมอว่าชั่วหรือดีจริงหรือเท็จความกล้าในการทำบาปนั้นเป็นความกล้าที่ไม่ดีจึงไม่ควรกล้าคนไม่ทำบาปเพราะรังเกียจบาปท่านเรียกว่าคนมีหิริ ไม่กล้าทาบาปเพราะกลัวผลอันธารุณของมันท่านเรียกว่าคนมีโอตตปะเฮริและโอตตปะทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมช่วยคุ้มครองโลกช่วยทำโลกให้สะอาดคนไม่มีเฮริโอตตปะย่อมหาโอกาสทาบาปได้เสมอคนกล้าแท้จริงต้องเป็นคนกล้าสละบาปคนเราเกิดมามีอวัยวะทุกส่วนทั้งภายในและภายนอก เหมือนกันทำไมบางคนจึงปรากฏแก่ผู้อื่นเสมือนมีกลิ่นเหม็นบางคนปรากฏแก่ผู้อื่นเสมือนมีกลิ่นหอมอยู่ในตนคำตอบก็คือเพราะพวกแรกแปดเพื่อนไปด้วยบาปพวกหลังเอื้อาบอยู่ด้วยบุญหรือความดีพวกแรกถูกมองด้วยสายตาที่รังเกียจขยะขยแงพวกหลังถูกมองด้วยสายตานิยมชมชอบมนุษย์เราต้องอยู่ในสังคมเกิดในสังคมอยู่ในสังคมและตายในสังคม การที่ถูกสังคมรังเกียจเพราะเป็นคนบาปนั้นเป็นความทรมานใจอย่างหนึ่งเป็นความอัปยศ์มองหน้าใครไม่สนิทไม่องอาจในที่ประชุมตนเองซึ่งรักตนเป็นที่สุดแล้วยังรังเกียจและดูหมิ่นตนเองได้หญ ย, ยเล่าจะไม่ได้รับการรังเกียจและดูหมิ่นจากผู้อื่นบาปจึงเป็นสิ่งควรกลัวและควรหลีกเลี่ยงตรงกันข้ามกับบาปคือบนรือความดี บุญโดยส่วนเหตุหมายถึงความผ่องแผ้วความบริสุทธิ์ความดีงามธรรมชาติเครื่องชำระล้างกายวาจาใจให้ปัจจจกาุมลทินเหมือนน้ำที่ใสสะอาดเป็นน้ำแท้ๆไม่เจือปนด้วยฝุ่นหรือโคลนตม่มย่อมมีอานุภาพในการล้างสิ่งที่แปดเปื้อนด้วยสิ่งโสโครให้สะอาดนอกจากนี้ยังมีคุณประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายสุจพรรณนาให้หมดสิน้นว่าโดยส่วนผลหมายถึงความสุข สมพระพุทธภาสิทธ์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่ากลัวบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขบุคคลเมื่อทำบาปย่อมทำด้วยกายวาจาใจสันใดเมื่อทำบุญก็ย่อมทำด้วยกายวาจาใจสันนั้นกายที่ประกอบด้วยบุญเป็นกายดีวาจาที่ประกอบด้วยบุญเป็นวาจาดีใจที่ประกอบด้วยบุญเป็นใจดีที่สาคัญที่สุดคือใจเพราะใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อใจดีกายวาจาย่อมดีตาม ดีเป็นคำที่หวานที่สุดคำหนึ่งคำนี้ไปติดอยู่กับสิ่งใดย่อมทําให้สิ่งนั้นมีค่าขึ้นทันทีฉลากดีจึงเป็นที่ต้องการทั่วไปตรงกันข้ามกับชั่วเลวซึ่งเป็นที่รังเกียจและทําให้ของหรือคนลดค่าเป็นหน้าที่ประการหนึ่งและประการสําคัญของมนุษย์ที่จะต้องแสวงหาความดีใส่ตนหรือปรับปรุงตนให้ดีเป็นหน้าที่ซึ่งจะต้องทําจนตาย รามือและเลิกไม่ได้ถ้าเลิกหรือหยุดก็เป็นการให้โอกาสแก่บาปได้พรรณนาถึงธรรมชาติเหตุและผลของความดีความชั่วมาพอควรแล้วเป็นเสมือนได้คําจำกัดความที่ยาวขอวกเข้าหาพระพุทธพาสิทธิบทแรกที่ว่าควรรีบทำความดีถ้าจะตั้งปัญหาว่าอะไรคือความดีและอะไรคือความชั่วก็ต้องพูดกันนานปัญหานี้เป็นหน้าที่โดยตรงของนัก จริยศาสตร์ซึ่งพระพุทเจ้ายัางไม่ปรารถนาจะนํามากล่าวในที่นี้ในกาละนี้ขอยกตัวอย่างปัญหาที่ทางจริยศาสตร์พยายามแก้คือความพอใจเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการกระทําของมนุษย์จริงหรือความดีเป็นสิ่งพึงปรารถนามากกว่าความพอใจจริงหรือความพอใจกับความสุขต่างกันอย่างไรเราหมายความอย่างไรเมื่อกล่าวว่าฉันควร ประกอบการกระทำบางอย่างหรือต้องยอมรับนับถือกฎบางอย่างเช่นการรักษาสัญญาเป็นต้นฉันควรยอมอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับเพื่อสวัสดิภาพของฉันเองหรือเพื่อคนอื่นถ้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือสัดส่วนอันถูกต้องระหว่างสวัสดิภาพทั้งสองอย่างนั้นเสรีภาพแห่งความคิดหรือเจตจำนงเสรีหมายความอย่างไรความรู้สึกหรือเหตุผลเป็นผู้นาอันถูกต้องของความประพฤต คำว่าความดีความถูกข้อบังคับหน้าที่มโนธรรมเป็นต้นหมายความอย่างไรทั้งโดยทฤษฎีและทางปฏิบัติเรื่องสำคัญที่สุดของจริยศาสตร์ก็คือวิเคราะห์เรื่องอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดผู้วิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ได้รับนามในสมัยปัจจุบันว่าโมราลฟิโลโซเฟอร์คือนักจริยศาสตร์นั่นเองส่วนการแนะนาว่า อะไรควรทำอะไรควรเว้นนั้นเป็นหน้าที่ของนักศาสนาคือศีลและธรรมอย่างไรก็ตามคนทั้งสองพวกนี้ย่อมแยกกันโดยเด็ดขาดไม่ได้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนแพทย์ทางพยาธิวิทยาและแพทย์ทางอายุรศาสตร์ขอย้อนกล่าวเรื่องการรีบทำความดีตามพระพุทธภาษิตข้างต้นทำไมจึงต้องรีบทำความดีเหตุผลแจ่มแจ้งอยู่ในบา ท, ที่สและที่สี่ คือเมื่อทําความดีหรือบุญช้าไปจิตใจย่อมน้อมไปในบาปเปิดโอกาสให้บาปแทรกเข้ามาได้ท่านจึงสอนให้ทําทันทีเมื่อเกิดกุศลจิตขึ้นเพื่อไม่ให้โอกาสแก่บาปไม่ควรเกี่ยงกันทําความดีเมื่อถึงคราวต้องทําความดีต้องนึกอยู่เสมอว่าเราก่อนเราก่อนในความเป็นคนดีก็เหมือนกันใครจะดีหรือไม่ดีก็ช่างเขาเราต้องเป็นคนดีไม่ควรรอ เป็นคนดีคนสุดท้ายของโลกการทำความดีก็ต้องรีบทำก่อนอย่าปล่อยใจให้เปน็นหวงเหนียวเรื่องผลมากนักผลย่อมเกิดขึ้นตามเหตุที่บุคคลทำหาได้เกิดขึ้นตามความนึกคิดของเขาไม่โดยปกติเมื่อบุคคลดลําริจะทำความดีอะไรสักอย่างหนึ่งมักจะมีความรู้สึกที่ตรงกันข้ามแทรกแซงเข้ามาขัดขวางโน้มนาให้ทาไปซะอีกอย่างหนึ่งความคิดอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่ามาน คือธรรมชาติหรือสภาพอันคอยล้างผลาญคุณความดีของคนเมื่อจะทำความดีจึงควรรีบทำไม่ให้โอกาสแก่มานนั่นเมื่อได้ทำความดีผ่านไปแล้วร่องรอยที่ทิ้งไว้ก็คือความชื่นใจความสุขใจทั้งความดีและความชั่วที่บุคคลทำจะมีร่องรอยอยู่ในจิตใจเสมอสิ่งนั้นจะกลับเป็นผลมีอิทธิพลต่อชีวิตต่อไป เรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปราบรพราหมณ์ซื่อจุเลกัสาดกผู้ต้องต่อสู้กับกุศลจิตและอกุศลจิตอยู่เกือบตลอดคืนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์จูเลกัสาดกในเมืองสาวัตถีมีพราหมณ์และพราหมณีที่ยากจนอยู่ครอบครัวหนึ่งสองสามีภรรยามีผ้านุ่งคนละผืน แต่มีผ้าหม่มเพียงผืนเดียวต้องผัดกันใช้เมื่อมีธุระต้องไปข้างนอกไปพร้อมกันสองคนไม่ได้เพราะไม่มีผ้าหม่มวงเล็บเทียบการใช้เสื้อของพวกเราสมัยปัจจุบันเมื่อออกนอกบ้านต้องใส่เสื้อไม่มีเสื้อใส่ไม่กล้าออกวันหนึ่งมีการโฆษณาให้คนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่เชตวณารามสองสามีภรรยาจึงหันเข้าปรึกษากันว่า ใครจะไปกลางวันใครจะไปตอนกลางคืนเพราะไปพร้อมกันไม่ได้ไม่มีผ้าหม่มตกลงกันว่าให้พราหมณีหรือภรรยาไปตอนกลางวันเพราะเป็นผู้หญิงพราหมู้สามีไปฟังธรรมตอนกลางคืนฟังไปฟังไปเกิดทราบซึ้งในรถพระธรรมเลื่อมสายแหลงกล้ามีปิติปราโมทย์มากต้องการจะบูชาพระศาสดาด้วยผ้าห่มของตนแต่นึกเป็นห่วงไปถึงพราหมณี ผู้เป็นภรรยาว่าถ้าถวายพระพุทธเจ้าเสียนางจากไม่มีผ้าหม่มเมื่อจําเป็นต้องออกไปภายนอกสัทธาจิตวงเล็บความคิดในการที่จะถวายผ้าแก่พระพุทธเจ้าและมัตเถรจิตวงเล็บความคิดหน่วงเหนี่ยวไว้ไม่ให้ถวายของเขาผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาปฐมมยามและมปชิมยามพอถึงปชิมมยาม วงเล็บประมาณตีสองล่วงไปเขาคิดว่าถ้าปล่อยให้มัชเฉระจิตครอบงำอยู่อย่างนี้คงไม่พ้นจากอบายสี่เป็นแน่แท้จึงพยายามข่มความตรนีแล้วนำผ้าห่มเข้าไปวางไว้แทบพายุคลบาทแห่งภาษาสดาพร้อมกับเป่งเสียงสามครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระราชาประเสรที่โกรประทับ ทรงรมอยู่ที่นั่นด้วยทรงสดับเสียงนั้นให้ราชบุรุษไปถามว่าพรามนั้นชนะอะไรเมื่อทรงทราบเรื่องละเอียดแล้วทรงเห็นว่าพรามทาสิ่งที่ทาได้ยากจึงพระราชทานผ้าสาดดกให้คู่หนึ่งพรามได้ถวายผ้าสาดดกคู่นั้นแด่พระศาสดาเสียอีกพระราชาจึงพระราชทานให้สองคู่สี่คู่แปดคู่และสิบหกคู่โดยลาดับ พราหมณ์ได้ถวายผ้าเหล่านั้นทั้งหมดแด่พระศ า, าสดาพระราชาพระราชทานให้อีก32คู่คราวนี้พราหมณ์ได้เก็บไว้สองคู่เพื่อตนคู่หนึ่งเพื่อภรรยาอีกคู่หนึ่งนอกนั้นได้ถวายพระศาสดาที่รับไว้สองคู่ก็เพื่อป้องกันคําตําหนิติเตียนจากผู้อื่นว่าหญิงจองหองพระราชามีพระมหากรุณาพระราชทานผ้าเป็นอันมากไม่ได้รับไว้ใช้สอยเลยแม้แต่ฝืนเดียว พระราชาทรงพอพระไทยในจริยาของพรามจึงรับสั่งให้ราชบุตรไปนำผ้ากาพลผ้ากาพลกับผ้าขนสัตว์อย่างดีสองผืนจากพระราชวังมาพระราชทานให้อีกพรามคิดว่าผ้านั้นดีเกินไปไม่เหมาะสมแก่ตนจึงนำไปทำผ้าเพดานไว้ในพระคันธ ก, กุฎีของพระาศาสดาผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งทเพดานไว้ที่บ้านของตนในห้อง ที่นิมนพระสงฆ์มาฉันเป็นประจำเย็นวันนั้นพระราชาประส e n t เสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาทอดพระเนตรเห็นผ้ากำพลนั้นทูลถามว่าใครนำมาบูชาพระาศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์เอกสาดกพระราชาทรงเลื่อมใสว่าพราหมณ์ได้เลื่อมใสในบุคคลที่พระองค์ทรงเลื่อมใสเหมือนกันจึงพระราชทานสิ่งของและบุคคลให้อีกมากคือ ช้างสี่เชือกม้าสี่เชือกกหาปณะสี่พันะ 4, หญิงสี่คนพาสีสี่คนชายสี่คนและบ้านให้เก็บสวยไดสี่ตำบลการที่พราหมณ์ตัดสินใจเด็ดเดียวถวายผ้าผืนเดียวของตนแด่พระศาสดามีผลมากถึงปานนี้ภิกษุสาวกของพระผู้มีพระภาคทราบเรื่องนี้แล้วสนทนากันในธรรมสภาว่าพราหมณ์เอกสาดกถวายทานในเนื้อนาอันดี ให้ผลมากในวันนี้ทีเดียวน่าอาัศจรรย์แท้พระศาสดาสเสด็จมายัางธรรมสภาส่งทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตัดว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพราหมณ์ถวายผ้าษาดกตั้งแต่ปฐมยามเขาจะได้ของอย่างละ16ถ้าถวายในมัชฌิมยามจะได้ของอย่างละ8แต่นี่เขาถวายตอนใกล้รุ่งจึงได้ของอย่างละสภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะทาความดี ก็ควรรีบทำไม่ควรให้กุศลจิตเสื่อมไปเสียเมื่อบุคคลทำกุศลช้าเมื่อกุศลนั้นจะให้สมบัติย่อมให้ช้าเหมือนกันจึงควรรีบทำกุศลกรรมในขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นนั่นเองดังนี้แล้วได้ตัดพระขาถาว่าอภิตัดเรทกรยาเนเป็นอาทิมีนยะดังพันน า, นามาแล้วแต่ตนนั่นแหล สองไม่ควรทําบาปบ่อยๆพระพุทธภาสิทธ์ปาปัญเจปรรุริโนสะกิยราณังกิยราปุนับปุนังณนะตมิฉันทงังกิยราทะทุกโขป่าปัสสะอุจจโยแปลว่าถ้าบุคคลต้องทําบาปไม่ควรทําบาปนั้นบ่อยๆไม่ควรพอใจในบาปนั้นเพราะการสั่งสมบาปเป็นเหตุแห่งทุกข์อธิบาย บาปอธิบายมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวักนี้จะอธิบายก้าวหน้าต่อไปในเรื่องที่ทรงเตือนไม่ให้ทําบาปบ่อยๆและไม่ให้พอใจในบาปบุคคลทําสิ่งใดบ่อยๆสิ่งนั้นย่อมกลายเป็นนิสัยมีความเคยชินในทางนั้นนานเข้ากลายเป็นอุปนิสัยและวาสนานิสัยคือสิ่งที่ทําจนเคยชินเช่นพูดคําหยาบบ่อยๆเป็นต้นเมื่อหลายครั้งเข้าสิ่งนั้นก็กลายเป็นนิสัยของบุคคลผู้นั้น ตรงกับที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า habit อุปนิสัยหมายถึงแววของใจหรือความโน้มเอียงในการทำอย่างใดอย่างหนึ่งคือม่แนวโน้มในทางนั้นทางนี้เช่นมีแนวโน้มทางเมตตากรุณาทางโหดร้ายทางดนตรีทางอักษรศาสต ร, ษ ร, รษ์บทประพันธ์หรือวิทยาศาสต ร, ร์เป็นต้นการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทับถมอยู่ในจิตใจเป็นเวลานานๆนั้น มันย่อมแสดงแววออกมาแสดงความโน้มเอียงออกมาให้เห็นอยู่เสมอและมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของผู้สังสมมันมาอย่างยิ่งจนกระทั่งไม่อาจต้านทานได้นี่คือลักษณะที่เรียกว่าวาสนาภาษาอังกฤษว่า impression ขอได้โปรดอย่านำเอาคำว่าวาสนาที่ใช้ในที่นี้ไปปนกับวาสนาที่คนทั่วไปพูดถึงเพราะนั่นเขาหมายถึงบรารมี หรือคุณความดีที่สังสมมามากแล้วผลิตผลออกมาเป็นความสุขความเจริญแก่ผู้นั้นเช่นเมื่อเห็นใครได้มีได้ดีมีสุขโดยไม่ต้องพยายามมากนักเราก็มักพูดว่าเขามีวาสนาดีวาสนาของเขาสูงเป็นต้นงานทุกอย่างที่เราทำความเคลื่อนไหวทางกายความคิดทุกอย่างที่เราคิดย่อมทิ้งร่องรอยเอาไว้ในจิตใจ แม้โดยปกติเราจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนักแต่มันก็ทำงานอยู่ในภาคความรู้สึกใต้สำนึกของสมองจำนวนรวมของวาสนาหรือความประทับใจที่มีอยู่ในดวงจิตของเรานั่นเองเป็นสิ่งตัดสินความเป็นของเราคือเราจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่วาสนาในดวงจิตนี้และมันก็มีติดต่อกันมาและหลายชาติจนกลายเป็นลักษณะนิสัยหรืออปนิสัยของบุคคลผู้นั้นไปความประทับใจ หรือ i ิมเ e s s ชันที่ดีย่อมสร้างอุปนิสัยดีที่ชั่วสร้างอุปนิสัยชั่วถ้าคนใดคนหนึ่งได้ยินได้ฟังแต่คำชั่วคิดแต่เรื่องชั่วและทำคมชั่วติดต่อกันเป็นเวลานานใจของเขาก็จะเต็มไปด้วยความประทับใจที่เลวสิ่งนั้นจะมีอิทธิพลครอบงำความคิดและการกระทำของเขาจนทำให้เขาลืมข้อเท็จจริงต่างๆไปเสียสิ้น เมื่อความประทับใจนั้นทำงานอยู่เสมอผลที่ออกมาก็จะต้องชั่วคนนั้นก็ต้องเป็นคนชั่วชั่วอย่างที่ช่วยได้ยากจริงๆผลรวมของความประทับใจอันเลวร้ายที่สังสมอยู่ในดวงจิตของเขานี่เองจะสร้างพลังผลักดันอย่างแรงให้เขาูนนั้นประกอบกรรมชั่วเขาจะเป็นเสมือนเครื่องจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบของวาสนามันจะบังคับให้เขาทาความชั่วอยู่ร่าไป ในทํานองเดียวกันถ้าบุคคลคิดแต่สิ่งที่ดีพูดดีและทำดีอยู่เสมอผลรวมของความประทับใจเหล่านั้นเป็นสิ่งดีเมื่อมันสังสมมากเข้าก็จะกลายเป็นพลังใหญ่บังคับให้เขาทําแต่กรรมดีไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่มีอำนาจใดๆจะมาหยุดยั้งได้แม้บางคราวเขาปรารถนาจะทํากรรมชั่วบ้างก็ทาไม่ได้เพราะมโนธรรมไม่ยินยอมตรงกันข้ามมันจะดึงเขากลับ จากการประกอบกรคำชั่วนั้นอุปนิสัยอันดีงามได้รับการปลูกฝังลงในคนด้วยวิธีดังกล่าวมานี้อุปนิสัยอันมั่นคงในความดีเช่นนี้ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงไปเพราะสิ่งรบเร้าเย้าวยวนภายนอกสิ่งเย้าวยวนไม่สามารถทำให้เขาเปลี่ยนเจตจำหนงได้ความโน้มเอียงในการทำความดีของเขาได้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเต็มที่เสียแล้ว ผลของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราสามารถควบคุมอินทรีย์ของเราได้คือสามารถควบคุมตาหูจมกูกลิ้นกายและใจไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความชั่วความดีและความชั่วย่อมมีผลของมันเองทั้งสองอย่างคือการทำดีย่อมให้ผลดีการทำชั่วให้ผลชั่วความดีและความชั่วย่อมผูกพันอยู่กับวิญญาณของเราด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ถ้าต้องทำบาปหรือทำชั่วก็อย่าทำบ่อยๆไม่ควรพอใจในความชั่วนั้นคนที่จำเป็นต้องทำอะไรด้วยความไม่พอใจนั้นย่อมทำได้ไม่ยืดเมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ่งบังคับก็จะเลิกทันทีแต่ถ้าทำด้วยความพอใจจะทำอยู่เรื่อยๆทำได้เสมอเพราะมีความพอใจเป็นผลตอบแทนอยู่ในตัวแม้จะไม่ได้รับสิ่งอื่นก็ตาม แต่ความพอใจในบาปนั้นไม่ดีแน่เพราะไม่มีอะไรร้ายแรงน่ากลัวเท่ากับการสั่งสมบาปมันมีผลเท่ากับสั่งสมทุกไว้ในตนทำลายตนให้พ่ายแพ้ยับเยินในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับบาปกรรมนับเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นตัวตนแต่มีอิทธิพลร้ายแรงต่อชีวิตมาก อีกหนึ่งนาทีข้างหน้าจะถึงตัวเราอยู่แล้วเราก็มองไม่เห็นมันเราไม่รู้จะหนีอย่างไรใครที่มีศัตรูหรือเวรกรรมก็นับว่าโชคร้ายมากเพราะมันทำเราได้ข้างเดียวเราไม่รู้จะโต้อตอบมันอย่างไรนอกจากมันมีกำลังมหาศาลแล้วยังมองไม่เห็นตัวตนเสย อ, อีกด้วยท่านจึงสอนให้กลัวเวรกรรมไว้ให้มากพระพุทธภาษิตนี้ ที่ยกมากล่าวในเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเสยยะสกะเทระมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พระเสยยะเป็นสถิงวิหาริกคือลูกศิษย์ของพระโลลุทายีได้บอกความที่ตนไม่ยินดีในการประพฤติปรมจันแก่พระโลลุทายีนั้นเพราะความกำหนัดถูกการมาราคะรบกวนพระโลลุทายีได้ทราบความนั้นจึงบอกพระเสยยะสกะ ทำการมกิจสําเร็จด้วยตนเองเมื่อพระเสยยสกะถามว่าการกระทําอย่างนี้สมควรแก่สมณะหรือพระโลลุทายีบอกว่าฉันเองก็ทําเหมือนกันเมื่อมีความกําหนัดพระเสยยะสก่เชื่อเพราะเห็นว่าเป็นคําบอกของอุปชาอาจารย์จึงประกอบการมกิจด้วยตนเองทุกครั้งที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นพระเสยยสกะบอกความนี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายนำความนี้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์รับสั่งให้พระเสยยกะเข้าเฝ้าตัดถามเมื่อพระเสยยกะทูลรับความจริงแล้วทรงติเตียนนานาน า, นานประการเป็นต้นว่ากรรมอย่างนี้เป็นไปเพื่อทุกอย่างเดียวทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทรงบัญญัสิกขาบทห้ามภิกษุกระทำเช่นนั้นภิกษุใดฝ่าฝืนเป็นอบัติสังฆาทิเศตแล้วทรงแสดงธรรมว่า ปาปันเจปุริโสกะยิราเป็นอาธิความว่าถ้าบุคคลต้องทำบาปก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆเป็นต้นมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นการประกอบการกิจที่เรียกในพระบาลีว่าสัญเจติกาสุขวิสสิคือการกระทาสำเร็จด้วยตนเองนั้นพระพุทธเจ้าทรงห้ามภิกษุไม่ให้ทาทรงปรับอาบัติไว้ถึงสังฆาทิเศษซึ่งอยู่ในประเภทอาบัติหนักเท่ากับการสัมผัส การหญิงและการพูดเกี่ยวหญิงภิกษุต้องอาบัตินี้แล้วต้องแสดงต่อสงฆ์แสดงต่อเอกบุคคลแสดงต่อบุคคลไม่ได้มีรายละเอียดเรื่องการออกจากอาบัติสังฆาทิเศษมากอยู่อาบัตินี้หนักเป็นที่สองรองจากปาราชิกในแง่การ<ม>ปฏิบัติธรรมพฤติกรรมนี้ทําให้พรหมจรรย์เศร้าหมองขาดการควบคุมตนยอมแพ้ต่ออํานาจครอบงาของการมราคะ เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของจิตที่แล่นไปในธรรมพระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามภิกษุไม่ให้ทำอย่างเด็ดขาดผู้ปฏิบัติโยคะหรือโยคีย่อมระวังเป็นที่สุดที่จะไม่ให้นะสัมภวาทะเคลื่อนมีความรู้สึกว่ามันคือหยดของชีวิตคนที่มากในกามจึงมักตายเร็วกว่าเวลาที่ควรเพราะหยดชีวิตได้เสียไปมากผู้ประพฤติพรหมจรรย์จึงมักมีอายุยืนกว่า ผู้มากๆในกาลพระมาจารย์ที่กล่าวนี้หมายถึงการถือพรตไม่เสวยกลาลมารมณ์กล่าวอย่างละเอียดการเสวยกลาลมารมมีลักษณะอยู่8ประการคือ 1. การฟังเรื่องอันเป็นกลาลมารมณ์2การพูดสนทนาถึงเรื่องกลาลมารมณ์3การเล่นซึ่งบรรดาลให้เกิดกลาลมารมณ์ขึ้นในใจเช่นเต้นลาเป็นต้น4การมองเพศตรงข้ามด้วยใจที่เจือด้วยราคะ5การสนทนากับเพศตรงข้ามในที่รับหรือในที่สงัด 6. การกอดจูบสัมผัสเพศตรงข้าม 7. การนึกไฝ่ฝันถึงเพศตรงข้าม 8. การเสพเมทุนพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเมถุนสัญโยกคืออาการแห่งเมทุนไว้เจประการมีลักษณะคล้ายกับที่กล่าวแล้วมีความพอใจในเสียงในการหัวเราะยิ้มแย้มของเพศตรงข้ามเป็นต้น ย่งธรรม atta th sa tha yasamante hi sanlake tapati ไปนอนอยู่ายัางทนมีหลักฐานเลยพ้าจาเออภิกษุนั่งงกง่วงด้วยการทำความเพียรยังดีกว่าผู้ที่ไม่ทำความเพียรมีแต่นอนเนี่ยไม่ทำความเพียร น, นั่งง่วงอยู่ท่านก็สรรเสริญเน ไ, ไม่ธรรมดาเ เพราะอะไรท่านว่าบุคคลผู้นี้เมื่อเขามีความพยายามอยู่เนี่ยสมาธิที่ไม่เกิดย่อมจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนี่เพราะความพยายามแต่กำลังมันน้อยไงกำลังแห่งกุศลธรรมมันน้อยไปไม่ไหวแต่ก็สู้นี่ก็เป็นความจริงนะเราปฏิบัติใหม่ๆกับผู้บ่าอาจารย์เหมือนกันปฏิบัติโอ้ย แต่อาศัยศรัทธาปัญญายังไม่พอทาแล้วก็ง่วงเงาเข้านอนแต่ให้หนีไม่หนีนี่หนีไปก็อายท่านก็ทนบางทีก็ตกธรรมาตกอาจสมก็มี <c oughs> ไม่ธรรมดาได้ปฏิบัติ <c oughs> บางคนขนาดนั่งไม่ได้นั่งสูงนั่งรับๆล่ายนะั่งหงายพึงเลยก็มี <c oughs> เสียงดังแต่พอมองไปไม่รู้ใครก็ไม่รู้มองไม่เห็นเร็วมากนั่งตรงเป๊ะเลยทเร็วมากธรรมชาติที่มันก็แปลกดีนะผมก็เคยเป็นครั้งหนึ่งเป็นประขาวมันเมื่อยมากกว่านั้นทํางานทั้งวันเห็นประขาวใหม่ๆนะนั่งอยู่ท้ายดีโยาอาจส่งมันไม่สูงมากแต่ไม่ได้ตกอาจส่งหรอกท้องใมันเอียงไงไม่รู้เยนะ็นเลยเย็นมันตกใจมัน มันส่งไม่ได้ขามันดีกระโถนเพ้งหลังนั่งกันอยู่แต่เร็วมากเลยนะสัญชาตญาณรู้ตัวนี้เก็บกระโถนมาทำนั่งไม่รู้เรื่องทีนั่งนั่งสมาธิสัญชาตญาณก็มีความละอายเหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีใครดูหรอกเขาก็รู้เหมือนกันทุกคนก็มีประสบการณ์มาแล้วนะอย่างใน่ๆก็รักษาความขวยเขินไปให้นี่ มันเป็นมรารยาทอย่างหนึ่งนะบางทีรู้อยู่เข้าใจอยู่เพื่อไม่ให้เขาเกิดความขวยอายมากขึ้นก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ซี๊เสียเท่านี้ก็เป็นการรักษาน้าใจได้เหมือนกันได้ <c oughs> ไม่ได้เห็นได้ยิ่งไปซ้ำเติมยิ่งไปแย่โอยนี่ <c oughs> มันทำใ ห, ให้ผู้มองกับผู้ถูกมองนี่มัน <c oughs> มีความหมาย ให้ได้คิดเหมันกันเนะี่ยแต่ถ้าครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาไม่ได้แล้วท่านนั่งมองนั่งอยู่ท่านมองหันหน้าท่านไม่พูดหรอกก็เปนพีนงแก็มองเฉยๆหรือถ้ามันหนักอยากแกสนุืมคำเดียวไม่พูดอะไรทำให้รู้บางทีไม่ต้องพูดมากเลย แต่การปฏิบัติเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนแท้ลมลุกคุกขานะทนเป็นได้ทุกอย่างแหละนแต่ถึงมันจะหลับถึงจะยังไงเนี่ยมันก็ยังดีอาศัยความอดทนบางทีเรามองว่าภาพอาจะไม่ดีแต่เราบอกในแง่หนึ่ง ก, ก็ทนดีเหมือนกันนะต่อสู้อดทนเนะี่ยกว่ามันจะรู้เรื่องบางทีมันก็ตกอยู่ในพวังนั้นนานเหมือนกันเลย นั่งเข้าไปมันก็ตกตรงนั้นแหละแล้วระวังถ้าเรานานไปเราสังเกตได้ว่าถ้าเรานั่งเนะี่ยบางทีมันนั่งอยู่ได้นานเหมือนกันแต่มันมีล็อกอยู่นะถ้ามานัมานะนั่งถูกล็อกมันนั่งถูกล็อกก็นชูอยู่ได้ตลอดคืน <c oughs> ยงข้างใดข้างหนึ่งหรือคอลมข้างใดข้างหนึ่งรู้สึกนั่งได้นาน <c oughs> ต้องมีรูปถ่ายดูถึงรู้เรามีลูกศิษย์ฝรั่งองค์หนึ่งท่านั่งที่ได้ทัานเนี่ย อันนั้นไม่ได้ไม่ได้อันนั้นแต่โอ้โหโยกแรงมากเลยโยกจนเ ก, กือบถึงพื้นก็ขึ้นมาแล้วก็ข้างลงมากืบถึงพื้นแล้วนั่งที่ไรก็เป็นอย่างนี้แหละเนีเฮ้คิดไปคิดมาก็อยากจะปล่อยให้ท่านเป็นอย่างนี้มันจะดีหรือนี่ก็เลยเรียกเป็นส่วนตัวเรียก <c oughs> นอนีท่านนั่งนานเนอะท่านรู้สึกตัวยังไง ร, รู้ตัวหรือเปล่านั่ง ไม่รู้พราหลับตาก็ไม่รู้วันไปทางไหนท่านครับเพราะว่าทีหลังลองทดสอบใหม่นะนั่งลื่มตาลองดูลื่มตาสํารวมดูถ้ามันความเคยชินอ ย, อย่างเมื่อกี้นี่เราฟังเนะี่ยถ้ามันเป็นจนเป็นนิสัยนะี่มันจะเห็นชัดเลยถ้าหลับตาไม่เห็นถ้าลืมตามจะเห็นเพราะนิสัยมันสร้างสมมาไว้มันก็จะเป็นนะพอเห็นแนละ้วมันจะเห็นทางแก้เนะี่ย นี่พอเห็นเนะี่ยตั้งแต่วันนั้นท่านก็ระวังก็ดีขึ้นนะเดีขึ้นแล้วก็นั่งตรงเว้นแต่ว่ามันง่วงมากจริงๆมันไม่ไหวนี่ตาถึงขีดแดงนั่นก็ทนไม่ไหวก็ต้องไปนอนนอ่แล้ก็ต้องพยายามก่อนแต่ด้วยความพยายามมันมันดีนีแม้จะเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรเลยนะแต่จริงๆมันก็ได้อยู่ในตัวของมันนะ แต่ก่อนก็เคยคิดเหมือนกัน อ, อยู่ตั้งเป็นปีทำไมมันมันไม่เกิดอะไรเนอะอย่างนี้แสดงว่าการปฏิบัติเราไม่ได้ผลไม่ได้อะไรเลยมั่งเนี่ยแล้วนึกไปนึกมามันก็ไม่ใช่หรอกเพราะนั้นเป็นบันไดขั้นหนึ่งที่เราก้าวขึ้นไปนนการฝึกเดินของเด็กมันก็มีล้มลุกคุกครานเหมือนกันนะกว่ามันจะเดินได้เนี่ย แต่ว่าการเดินล้มลุกคุกคานไม่มีประโยชน์เนี่ยมันก็ไม่ใช่หมมันเป็นบทเรียนหรือเป็นการศึกษาเนี่ยก็เพราะเหตุนั้นเหตุนั้นจึงทำใ ห, ให้เราได้รู้เหตุของมันพ <_' agreed> ราะเหตุนั้นจึงเป็นอย่างนี้มันมีเหตุมีผลของมันอยู่ในตัวนี่ก็ทำให้เรารู้จักมองคนอะไรนี้ไม่ได้มองในแง่ร้ายนี่แต่ เขาฝึกฝนตนเองอยู่ก็ยังเออให้กำลังใจเนี่ยมีความพยายามอยู่แต่มันยังไปไม่ได้อย่างนี้มันก็น่าเห็นใจเนี่ยนี่เพราะอุปนิสัยวาสนาบา ร, รมีของเราไม่เหมือนกันอย่างที่ว่านี่ท่านจึงให้สั่งสมสิ่งที่ดีเอาไว้เนี่ยแม้มันไม่สมบูรณ์ก็ตามเนี่ยนิดๆหน่อยสั่งสมไว้มันดีกว่าไม่ทำเนี่ยอย่างนี้นั้นก็เป็นอุปนิสัย เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยแล้วกลายเป็นวาสนานีถ้าเป็นไปทางที่ดีมันได้เปรียบนี่ถ้าเป็นไปทางที่ไม่ดีนี่โอยมันแก้ยากเลยไปทางดีก็แก้ยากเหมือนกันนี่คือถ้ามันดีเราจะแก้ให้ไปทาความชั่วมันยากแต่ถ้าไปชั่วแล้วจะดึงมาดีมันก็ยากเีกเหมือนกันถ้ามันเป็นวาสนาแล้วนะเป็นอุปนิสัยแล้วเนี่ยอุปนิสัยวาสนาในยากมันแก้ยาก โดยเหตุที่ท่านจึงให้ทําความดีเนี่ยเมื่อดึกได้ให้รีบทำนมันจะได้เป็นนิสัยเนี่ยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้เนี่ยบุญก็คือความดีนั่นแหละเนี่ยก็สังเกตดูง่ายๆถ้าเป็นความดีแล้วทำมันก็ดีจริงๆนดึกก็สบายใจเนี่ยเบาใจสบายใจยคุยกันเรื่องความดีมันก็มีแต่ความสุขเยเ ยคุยในเรื่องกุศลเรื่องธรรมเป็นความสุขะ